ตรงแผ่นบ้นมันโชคชัยกราบน้มัศการหลวงพ่อครับบางครั้งจิตก็รับรู้ได้ละเอียดขึ้นอย่างเช่นลมหายใจออกนะครับลมหายใจเข้าลมหายใจเข้านี่มันก็เจือไปด้วยโลภะนิดๆลมหายใจออกมันก็เจือไปด้วยโทสักนิดๆ ก็พอจะสรุปได้ว่าทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันมันมีความทุกแทกอยู่มีสภาวะทุกแทกอยู่ตลอดเวลาแต่มันเป็นทุกอ่อนๆที่เราทนได้ครับดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าใจต้องธรรมดาที่สุดเลยใจที่ไปรู้สภาวะธรรมเนี่ยต้องเป็นใจที่ธรรมดาที่สุดเป็นใจที่ไม่ถูกดัดแปลงสักนิดเลยนะ ใจอย่างโดนดัดแปลงนิดหนึ่งเกินจริงรู้สึกไหมครับจะรู้สึกในเมชาอเช้สึกว่ามันสบายครับก็เลยเอ๊มันสบายครับใจมันมันเกินจริงไปหน่อยครับครับกวนำฝนครับนมอมสการหลวงพ่อครับเมื่อวานก็พยายาม าหาทางดูเจ้าโมหะมันคิดไปฟุ้งไปเผลอไปบางทีก็รู้สึกตัวกลับมาได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะฟุ้งมากกว่าฟุ้งอะไรนะฟุ้งฟุ้งไปหน่อยคะับแต่ไม่ได้มากเท่ไรเพราะว่ามันยังทบทวนอยู่ในเรื่องของของธรรมะอันนี่อยู่ครับตรงทบทวนธรรมะนะั่นแหละโมหะจิตฟุ้งซ่านแต่ว่าฟุ้งซ่านในธรรมะ พิกฤต เ, เนี่ยพอประณีตละเอียดเข้าไปนะหน้าตาจะเหมือนกุศลเหมือนเหมือนเลยเราก็นึกว่าจิตกําลังเป็นกุศลอยู่อย่างจิตของเราเนี่ยเรากลัวมันไม่หลุดพ้นมันจะค้นคว้าพิจารณาธรรมะเบื้องเบื้องหลังมันก็คือรักตัวเองแต่ตรงนี้เราไม่เห็นมันก็จะเริ่มค้นคว้าพิจารณาอะไรต่อไรไปเรารู้สึกตัวนี้เป็นการเจริญตัญญาจริงๆใจมันฟุง้ง กิเลสนะพอข่้ละเอียดนี่ถึงสังโยชน์เบื้องปลายนะแต่ละตัวหน้าตาเหมือนกุศลนะอย่างรูปปาราฆะอรูปปาราคานะนยเหมือนกุศลเลยจิตใจรักความสงบอ่ะเห็ไม่ใช่รักกามนะจิตใจรักความสงบก็ดูดีใช่ไหมบางคนแต่งเพลงนะไทยนี่รักสงบแล้วมีรูปปราคะาอรูปปาราคะดูไม่ออกหรือว่าอาวิชชานะ จิตที่มีอวิชชานะดูยากเบิกบานแจม่มใสนะดูยากโดยจิตที่ฟุ้งในธรรมะอุทัจจะเวลาอุทธัจจะสังโยชน์กับอุทธัจจะในนิวรณ์เนี่ยไม่เหมือนกันอุทธัจจะในนิวรณ์เนี่ยอุทธัจจะไปในกามในอารมณ์ที่เพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิน้นกายใจส่วนอุทธัจจะสังโยชน์เนี่ยใจมันฟุ้งในการพิจารณาธรรมะเนี่ยจะต่างกันส่วนมานะ มาน้าของคนทั่วๆไปก็ประเภทเซลล์จัดกูเก่งกูเก่งมาน้าของพระอนาคาเนะจะรู้สึกว่ า, าเรายัางไม่ได้อย่างครูบาอาจารย์สักทีทำไงจะบริสุทธิ์หมดจดเหมือนท่านนะรู้สึกไม่เก่งนะรู้สึกไม่เก่งดูคล้ายๆความน้อมน้อมทำตนเพราะงั้นดูยากเพราะงั้นอย่างถ้าใจมันคน้นคว้าพิจารณาธรรมะนะมันฟุง้ง แต่ว่าตอนนี้จะอาศัยการค้นคว้าไปก่อนก็ได้ถ้าใจเราฟุ้งมากๆฟุ้งไปในกามเพรานะงั้นเวลาที่จิตใจฟุ้งซ่านในเรื่องโลกโลกเนี่ยให้มันมาพิจารณาธรรมะให้มันมาฟุ้งในธรรมะใช่ก็ยังดีกว่าจิตจะได้สงบนะแต่ว่าถ้าเราเดินปัญญาเนี่ยอย่าไปช่วยมันคิดช่วยมันคิดไม่ต้องไปค้นคว้ารู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นจริงๆ แต่ว่าเราทำไม่ได้หรอกจนถึงผ้านาคานะมันยังอดไม่ได้เลยนี่แต่ว่าฟังไว้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งได้ใช้นะ <c oughs> สืบสักในกิเลส น, นะยิ่งละเอียดยิ่งละเอียดนะหน้าตาสดใสหน้าตาดีเรียกว่าผู้ร้ายในคราบผู้ดีด <c oughs> ูยากที่สุดเลยครับกราบนรรการขอหลวงพ่อครับเมื่อวานก็เดินจงกรมนะ <c oughs> คุณนำพลทาอะไรเ <Okay. S 1> ออเนี่ยหลงไปล้ให้รู้ตันนะรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะได้คลายออกมาจากเมื่อกี้นิดละคุณโชคชัยดูออกไหมเมื่อกี้มันมันไม่ธรรมดาตอนนี้มันเริ่มธรรมดาละเนี่ยเราต้องใช้ใจที่ธรรมดาแบบเนี้ยนะแล้ว ร, รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆไม่ใช่ใจที่เกิดจริงใจของคุณโชคชัยชินที่จะทําอะไรให้เกินจริงนิดนึง จะไปนิ่งๆสว่างใสๆ ส, สบายๆเปลินๆ อ, อยู่ตัวนั้นไม่เอาตัวนั้นแ่ละจิตลงอยู่ลงอยู่ในด้วยอำนาจของอรูปอรูปปราคะพอใจในความสุขความสงบคุณสืบสักครับก็เมื่อวานพอเดินจงกรมเสร็จมานั่งภาวนาต่อพอภาวนาไปแล้วลมหายใจเริ่มสงบมันก็มีความคิดขึ้นมาบอกว่า เอ้เราก็ศึกษาซีดีหลวงพ่อฟังมาตั้งหลายแผ่นแล้วปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนพอสักพักมันก็รู้ตัวขึ้นมาว่าเอ้ที่มันคิดอย่างนี้ได้เพราะว่ากิเลส ม, มันอยากจะให้ดีอยากให้ตัวเองดีก็ก็รู้ตัวอย่างนี้ครับนี่แหละคีอฟังซีดีไว้เลยเห็นกิเลสครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> <ะ>ครับหลวงพ่อจิตวันนี้มีโมหานิดนึงนะดูออกไหมมัวไปหน่อยยังยังดูไม่ค่อยชัดครับหลวงพ่อรู้ไม่ชัดดูได้ไม่ชัด นะาคุณดำเกิงเมื่อวานนั่งหลังคือคือตอนนี้อีอออาสามหนุ่มใจลอยหมดแล้วไอ้ไอก้กิเลสที่หยาบๆยาบอย่างพวกราคากับไอ้โทสะเนี่ยฮะมันมันก็เรียกว่าพอจะทันมันมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมาโผล่ให้เห็นฮะแต่ว่าไอ้ตัวโมหะเนี่ยฮะมันมันจะมันจะดูลำบากอย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้เนี่ยฮะแล้วก็ เวลาพอรู้ตัวในดูมันชอบวับเข้ามาเข้ามาจ้องอะฮะแล้วมันก็รู้ว่าเอ๊นี่จ้องอีกแล้วเนี่ยออย่างเงี้ยแล้วก็ก็ปล่อยมันก็ใช้ได้นะครับโลภะเกิดก่อนอยากปฏิบัติครับก็เกิดการกระทํากรรมคือการจ้องคก็เกิดมิบากใ์ใจก็แน่นแน่นขึ้นมาไม่โปร่งรุ่งเบาอึดอับบครัดมันก็ชอบครับ มาจับเป็นที่นะเพราะฉะนั้นเราเวลารู้สภาวะเราต้องตามรู้เอาถ้ามันเคยชินกับการเพ่งมันจะมาจ้องรอดูไปนั่งรอว่าเมื่อไรจะมีอะไรผุดขึ้นมาอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วสมาธิมันก็ใช้ได้สมาธิมันก็เกิดไปเลยเมื่อเช้าเดินหลวงพ่อเวลาเดินจากกุติมาเนี่ย ตรวจการบ้านมาตลอดสายเลไม่มีเวลาว่างอ่ะไล่มาตั้งแต่หวัวสะพานไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมาถึงของบอกของไม่ทําอะไรมาของจิตออกนอกมองเห็นไหมจิตถล่มไปไม่ตั้งมั่นอะของไม่เห็นไม่เห็นถามว่าไปภาวนาอีท่าไหนมาปไปทําสมาธิบอกสังเกตไหมตอนที่ทําสมาธิเนี่ยจิตมันเคลื่อนเข้าไป เคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์ครับตรงที่มันเคลื่อนเข้าไปจับอารมณ์นี่แหละมันเป็นมิจฉาสมาธิแล้วครับจิตมันส่งออกนอกหรือเรียกว่าส่งไหนก็ได้จิตมันส่งไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นพอเราออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยจิตมันจะออกนอกครับถ้าจิตมันไปแช่เพลินๆ อ, อยู่ข้างนอกจนชิน ค, คงั้นอย่างทําสมาธิก็ต้องระวังจีต ถ้าทำแล้วแบบขี้เกียจที้คลานความขี้เกียจขี้คลานความท้อแท้แทรกเข้ามาหรือความติดสุขติดสบายแทรกเข้ามานะใจจะเคลื่อนไปนิดหนึ่งแล้วไปนิ่งแช่อยู่พอมันออกนอกมันก็ออกไปเลยเอา้ามันออกเลยนะพอ<ง>ออกจากสมาธิมันก็ยังค้างอยู่นู่นเลยคำนองเดียวกันนะถ้าใจมันตั้งมั่นสักวร่ารู้สักว่าเห็นสภาวะอยู่ตั้งแต่เราทําสมาธิใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ครับเราออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังตั้งมั่นอยู่ นจนนแต่ตอนนั้นมันจะดูได้ต่อเนื่องนะฮะตอนที่มันมันมันตั้งมั่นอยู่มันจะดูได้ต่อเนื่องใช่ใจใจยังฟุ้งนะคุณน้ำเกิงครับใจยังฟุง้งวันนี้ทำอะไรมาเข้าท่ารู้ตัวได้ชัดชัดตอนที่หลวงพ่อเล่าสนุกสนุกค่ะมนจะรู้ตัวชัด แต่ก่อนหน้าตรงนี้นิดนึงมันก็ซึมซึมเหมือนกันนะคะราเล่าอะไรสนุกหรอว่นนี้มีอะไรสนุกหรอวันนี้เมื่อกี้ว่าหลวงพ่อเล่าเรื่องครัว่าป่องเรื่องอะไรเงี้ยมันคือมันชอบฟังหลวงพ่อเล่าอะไรปุ๊บมันก็เริ่มกับชอบแบบชาดกใช่ค่ะใช่ใจหน้าตื่นเต็มที่เลยจำตรงนี้ไว้นะค่ะเนี่ยคือภาวะแห่งความตื่นะ ขอบ <ขอ S 1> พระคุณค่ะภาวาแห่งความรู้สึกตัวรู้สึกไหมไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขล้วนๆเลยหลวงพอ่อค่ะแต่ก่อนหน้านี้มันอ่อนไปนิดนึงใช่ไหมคะมันมีโมหะใช่ค่ะตอนมลนั่งฟังแต่ <บา S 2> ตอนนี้เริ่มบังคับแนละ้วใช่ค่ะไม่เป็นธรรมดาก่อนหน้าจะมาพอดีเนี่ยมันจะดิ้นรนหน่อยๆอะค่ะอยากเป็นกลางอยากตั้งมั่นแต่พอฟังหลวงพ่อเล่าปุ๊บมันก็ตั้งเองขอบพระคุณหลวงพ่อดุนะเห็นไหมแค่เดินฐานเห็นหน้าภาวนาผิดก็โดนละ เนะล้าสนุกบ่อยๆไม่เป็นไรแต่มันเหนื่อยนะเล่นอย่างหลวงพ่อก็ไม่ไหวจันตันที่บอกไม่เอาเลยจันตันเทศเฉพาะบันพระใช่ไหได้ข่าวว่าหลวงพ่อเทศบันถึงตั้งหลายรอบ <c oughs> ใช่ท่านสบายพวกเราพยายามไปหาท่านมากๆ <c oughs> <c oughs> อิดฉาหนะ้าอายุก็น้อยกว่าเรานะแล้วมีความสุขเลยเกิน มีเวลาทำสมาธิทำอะไรของท่านไปอืฟุ้งสามฮะฟุ้งทั้งสองตัวเลยแล้วแข็งแข็งด้วยไปกดไหมตรงที่แข็งไปกดไว้ตรงที่ฟุ้งไปมันจะไม่แข็งมันจะเหลวเป๋ยวเห็นฟุ้งสองตัวเลยฮะทั้งกุกขจัอุทัจจ่าเลยใช่ไหมใช่แล้วตื่นเต้นกลัวแล้วก็กดอ่ะ แล้วก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่าน ม, ม, มาเนี่โมหะดูออกไหมค่ะทั้ง ม, มืดมืดอย่างนี้โมหะร้อปร์เ็นตอนที่อยู่ที่บ้านนี่ช่วงนี้มันจะไม่มันจะไม่ค่อยหนักนะคะเหมือนมันเหมือนก็ไม่หนักแต่ไม่แน่ใจอาจจะอันอาจจะน้อยอะ่ะแล้วก็ถึงเวลาสวดมนเนี้ก็จะเริ่มยิ่งพอเดินจงกรมก็มีน้ำหนักอืมแล้วก็พอมาเห็นเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปได้หัดรู้สภาวะให้แม่นแม่นนะแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ปฏิเสธมัน ตัวสำคัญเลยคือรู้แล้วไม่ปฏิเสธอ่ะเงั้นจะมัวมัวรั้วมัวนะใจไม่ทุกข์จะสดใสนะเขาไม่หลงเพลินไปรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นเลยที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นนั่นแหละเห็นตรงนี้ก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้รู้เยอะนะ รูแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับใช่ไหมคุณมนค่ะก็รู้สึกว่าซึมๆอ่ะค่ะเออตอบถูกใช้ได้แล้ว ก, ก, ก็อยากหายไหมก็อยากหายแน่นหนแ<ต>ให้รู้ทันตรง <นะ S 1> ที่อยากหายนะตรงที่ซึมเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตเราไปรู้เข้าพอจิตเราไปรู้ความซึมจิตเราไม่ชอบให้เรารู้ความไม่ชอบเนี่ยความยินร้ายเกิดขึ้น ความยินร้ายเพราะนั้นเวลาที่เรารู้สภาวะแล้วนะภาษาแขกเรียกอภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นอภิชาความยินดีโทมนัสความยินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันค่ะพอเรารู้ทันแล้วความยินดียินร้ายมันจะดับความยินดียินร้ายดับเราก็รู้ทุกสิ่งด้วยใจที่เป็นกลางต่อไปค่ะให้หัดรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวปัญญามันค่อยเกิดขึ้นบังคับตัวเองอยู่ทราบไหม ตาคานะ่นะน้ำบังคับจนแข็งแนะ้วเอาไปส่งไปคนนี้เคยมาไหมก็มาครั้งที่สองค่ะ เ, เห็นกิเลสหรืยังก็เห็นบ่อยนะคะทัดีแต่ว่ารู้สึกแกรงมากมเป็น<ล>แฟนถูกต้องหัดดูสภาวะเรื่อยๆน ะ, ะการภาวนาเนี่ยคนที่มาใหม่ๆนะมาฟังหลวงพ่อพูดหรือฟังคนอื่นส่งกันบ้านบางทีสับสนไม่รู้เขาพูดเรื่องอะไรกัน งานชิ้นแรกที่พวกเราต้องทํานะคือหัดรู้สภาวะไปะเช่นจิตใจเราเผลอไปคิดก็รู้ทันจิตใจเราไปเพ่งทื่อๆนิ่งๆไว้ก็คอยรู้ทันจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจเป็นไงรู้ไปได้ได้หัดรู้สภาว ะ, ะพอจิตจําสภาวะแม่นแล้วต่อไปสติจะเกิดเองเกิดได้เองนะรู้สึกเองเช่นพอใจลอยปุ๊บรู้สึกขึ้นเอง เขารู้สึกเองโดยไม่ได้เจตนานะใจจะโล่งเลยใจจะเบาจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูใจเป็นผู้รู้ผู้ดูมันก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเลยมพืแต่เป็นของถูกรู้ถูกดูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหเห็นซ้ำอย่อยางนีนะ้ดีแล้วตึกไปมาสการท่านระอาจารย์ค่ะพอดีไม่เคยมาค่ะแต่มาประชุมก็ชวนกันมาเจ็ดแปดคนนะ่ะ <c oughs> พอดีมาประชุมที่ศรีราชาก็เลยน้องชวนมากันอขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เรื่องจะมีวิธีการกําจัดเรื่องความขี้เกียจยังไงบ้างคะโอ้ความขี้เกียจนะนึกถึงความตายไว้เวลาร้อยครั้งนะ <c oughs> คนเราที่ขี้เกียจได้ประมาทใด้ไม่ยอมภาวนานะเพราะเรายังไม่คิดว่าเราจะตายง่ายคิดว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเข้ามาถึงตัวเราอยู่ตลอดเวลาหรือความทุกข์เนี่ยเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ๆคนที่เรารักตายปุ๊บ ป, ปั๊บไปก็ได้อยู่ๆบ้านไฟไหม้ไปก็ได้ความทุกข์มาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้เมืน่อะเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไม่ประมาทเตรียมให้พร้อมคือฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้มากนีให้มา ก, นะมากๆถ้าเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราตั้งหลักได้ ไม่ถึงขั้นสติแตกไม่ต้องไปกวนหมอติต้องฝึกนะแต่ที่คุณทำอยู่นะมันเป็นกรรมฐานที่บังคับตัวเองยังบังคับใจตัวเองให้แข็งแข็งให้นิ่งนิ่งนะยังบังคับอยู่ที่ฝึกมาเก่านั้นมันจะเป็นสมถะจิตติสมถะอยู่เอาซีดีไปฟังนะฟังบ่อยๆแล้วค่อยมาส่งกันบ้าง นู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งคงที่อยู่ตะลอดเวลานั่นแหละติดสมถะเราต้องเลิกกำหนดปล่อยมันแล้วตามดูมันไปเรื่อยอย่าไปกำหนดจดจ้องไหปล่อยปล่อยให้ร่างกายเคลื่อนไหวตามธรรมชาติปล่อยให้จิตใจเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วตา ม, ตา ม, ตามรู้เอาไอ้ตัวที่นิ่งค้างคงที่อยู่ตัวนั้นตัวนั้นขวางการเจริญปัญญาเป็นสมถะติด ว่าไปมีมรการค่ะมาครั้งแรกตื่นเต้นไหมใช่ค่ะเออกำลังตื่นเต้นรู้ใช่ใชไหมค่ะเนี่ยพยายามไปกดมันแล้วทราบไหมอย่าไปกดมันตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นอย่าไปแก้ไขตื่นเต้นก็ได้คุยกับหลวงพ่อไม่ต้องหายตื่นเต้นอะไรก็ได้เพราะงั้นสภาวะอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะแค่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ตามที่เขาเป็นอย่าไปแก้ไข ที่ตื่นเต้นแล้วแข็งขึ้นมาพราไปกดมันคุณต้องวันนี้ไม่ส่งกันบ้านค่ะแต่มีคําให้การยืนยันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าแม่ชินุชเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรนะแม่ชินุชเป็นผู้มีอิทธิพลมีข่าวมาว่าอย่างนั้นโยมก็เลยจะมายืนยันว่าแม่ชินุชมีอิทธิพลจริงๆอเพราะว่าเป็นบุคคลส ป, ปะยะแล้วก็เห็นดี<ๆ>เห็นชอบในการบวชแล้วก็ชักชวนกันบวชแต่หลวงพ่อ<ๆ>ทําให้โยมมีวันนี้ทําให้โยมได้ ทดแทนคุณพ่อด้วยประธรรมของพระพุทธเจ้าเลอคะ่ะดีนะดีะที่ผลอย่างนี้ก็เรียกว่าอะไรนะอินฟลูเอน์ <c oughs> มันมีอยู่สองตัว อ, อีกอันหนึ่งเป็นอำนาจมืด <c oughs> จริงจริงแล้ว <c oughs> พ่อภาวนาดีนะ้าฝึกได้ดีเลยพ่อมีความสุขขึ้นไหม <c oughs> ออมาไหมไม่เห็นอะอะไรนะ อ๋อไม่เป็นไรเราอยู่อลหิตคุณต้องเอ้คุณตรงไม่ค่อยมีอะไรส่งเลยครับบังคับอยู่นิดนึงนะแต่ไม่ทราบังคับตอนจังหวะทําไมต้องบังคับละ่ะดู อ, อกไหมเราสังเกตดูอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยของมันค่อยๆสังเกตไปไม่ใช่คิดนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแต่ไม่แน่ใจว่าการที่มองออกไปข้างนอก เรือๆเนี่ยเพ อ, อยู่ครั้งหนึ่งเคยสังเกตในช่วงที่จังหวัดที่หลวงพ่อบอกว่ากดอยู่นะฮะพอได้มองออกไปที่ไกลๆหรือพุทธรูปอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมันมีจังหวัดยืดออกไปที่ทําให้เราคลายออกไปได้ถ้ามันตึงไว่มากๆนะก็มีอุบายอุบายนะอุบายไม่ใช่หลักอุบายก็คือทําความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่ในที่โล่งๆที่กว้างๆนะเหมือนเราเป็นพระจันทร์ดวงหนึ่งเนะี่ยแผ่รัศมีร่มเย็นออกไปกว้างๆ นี่เป็นสมถะนะแต่ว่าใจจะไม่แข็งไม่เครียดไม่ตึงใจสบายแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะค่อยรู้เรื่อยๆกับคือไปเห็นตัวที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้าช่วงเพียงพลนะครับไปตรึกไปไต่ตรองในธรรมะไปวนเรื่องความคิดเรื่องการดูความคิดจะดูอย่างไรกับ อ, อะไรเงี้ยครับมันก็วนไปวนมาวนไปออวนมาอยู่ตรงนี้ครับนั่นจิตฟูงสร้างนะอุทัก จ, จะอุทัก จ, จะ สังโยชน์ถ้าอุ จ, าอจจะถ้าอุทัจจานิวรณ์เนี่ยจะเป็นเรื่องทางรูปเสียงกลิ่นรส佛陀ธรรมะทั้งหลายฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรส佛陀ธรรมะใครก็เลยไปเห็นตัวอีกตัวหนึ่งคือพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็มักจะไปอีกด้านหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องตั้งใจต้องตั้งใจต้องอะไรมันก็ไปกดตัวเออนั่นแหละคือถ้าเราเห็นไปตามลําดับนะเข้าใจเป็นลําดับลําดับไปนะแล้วเราไม่คิดว่าทำอย่างไงาจะได้อย่างนี้มันจะไม่กด ถ้าเม่ไรคิดว่าทํำยังไงเราจะได้อย่างนี้นะจะกดทุกทีแล้วเพราะว่าเมื่อไรที่เกิดความจงใจปฏิบัตินะอัตากิริมัทฐานุโยคเกิดอัตโนมัติเลยนี่เป็นหลักเลยเฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทําได้นะคืออัตากิริมัทฐานุโยคแต่ว่าการที่เราตามรู้สภาวะไปเรื่อยๆจิตมันเดินในทางสายกลางของเขาได้เองไม่ได้จงใจนั้นตัวความจงใจเนี่ยศัตรูร้ายเลย นี่ะคุณตรงคุณตรงนะเป็นคนที่รักในปัญญารักในความรู้นั้นพอได้ยินอะไรนะี่มันจะค้นควา้ามันอดไม่ได้จะรีนิสัยเป็นอย่างนั้นห้ามเมไม่ได้หรอกไม่ต้องหาทางแก้หรอกแก้ไม่ตกหรอกอย่างหลวงพ่อแนละแก้ไม่ได้แต่ไหนแต่ไรนะเวลาเห็นสภาวะนี่ต้องค้นควา้าจนแจ่มแจ้งเวลาแจ่มแจ้งนะมันจะรู้ว่าไอ้นี่คืออะไร มันมันทำหน้าที่อะไรถ้ามันทำงานขึ้มนมาแล้วมีผลเป็นยังไงมันเกิดมาจากอะไรไปเทียบกับอภิธรรมนะมันคือคําว่าลักษณะที่จตุกะและองค์ประกอบสี่อย่างมีลักษณะเป็นเบื้องต้นอย่างความโกรธมีลักษณะอย่างนี้ความโลภมีลักษณะอย่างนี้พอเราเห็นลักษณะของแต่ละตัวแต่ละตัวเราก็จะแยกได้ความโกรธกับความโลภไม่เหมือนกัน กรธรุนแรงกับกรธน้อยๆไม่เหมือนกันเพราะลักษณะแตกต่างกันพอเราเห็นลักษณะของสภาวธรรมแต่ละตัวก็คือเราเห็นสภาวะธรรมตัวนั้นแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คนละตัวกันพอแยกได้ว่าตัวนี้กับตัวนี้คนละตัวนะมันจะเริ่มเห็นว่าตัวนี้แหละไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้เพราะนั้นการที่เราจะจะเห็นสภาวะตัวนั้นในลักษณะเฉพาะของสภาวะธรรมแต่ละตัวได้แม่นและชัดเจน แล้วเราก็จะเห็นสามัญลักษณะที่แรกจะจําลักษณะเฉพาะตัวเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษลักษณะคือคําว่าพิเศษนั่นเองคำว่าวิเศษะคือคําว่าพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแต่ละอย่างเราหัดดูไปเรื่อยนะจนจําลักษณะเฉพาะตัวได้เราก็รู้ความโลภเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นนี้ความฟุ้งซ่านเป็นนี้หดหู่เป็นนี้ใจลอยเป็นนี้เพ่งเป็นอย่างนี้จําได้แล้วเราถึงจะเห็นได้ว่า แต่และตัวเนี่ยตกอยู่ใต้สามัญลักษณะคืออยู่ใต้ไตรลักษณ์เนะี่ยเราดูลงไปในะที่สุดก็เห็นมันเห็ น, นตัวที่หนึ่งตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวที่สองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตัวที่สามไม่เที่ยงเหมือนกันดูไปเรื่อยๆเนี่ยร้ายตัวพันตัวหมื่นตัวนะจิตมันจะปิ๊งขึ้นมาเลยทุกตัวไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้นเหมือนกันนี่เองบรรลุพระโสดาบันตรงนี้เองนะ เพรนัหัดรู้สภาวะทีละตัวทีละตัวหัดรู้ไปจนกระทั่งเห็นว่าทุกตัวที่เกิดขึ้นนัดับตัวนี้เกิดแล้วก็ดับตัวนี้เกิดแล้วก็ดับหรือบางคนมองในแง่บังคับไม่ได้ตัวนี้บังคับไม่ได้ตัวนี้ก็บังคับไม่ได้ตัวนี้บังคับไม่ได้ดูไปร้อยตัวพันตัวหมื่นตัวแสนตัวนะดูไปซ้ําๆๆจนใจมันปิ้งขึ้นมาทุกตัวนั่นแหละบังคับไม่ได้นี่แหละเข้าถึงธรรมะตรงนี้เองตรงที่เข้าใจเกิดความรู้รวบยอดขึ้นมา ปัญญาเนี่ยเป็นตัวตัววิ ช, ชาเนี่ยเป็นความรู้รวบยอดเลยรวบยอดขึ้นมาเนี่ยถึงละถึงวางทำลายความเห็นผิดได้ทำลายความยึดถือได้เพราะนั้นหัดรู้สภาวะไปชัดเจนไหม <c oughs> ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะี่ยชัดสุดๆเลยไม่ <c oughs> มีอะไรให้สงสัยเคลือบแคลนงั้นคนที่ฟังทำตรงมาจากพระพุทธเจ้านะจะบอกเลยว่าแจ่มแจ้งไม่ใช่ว่า กลุ่มๆเก ล, ลือๆทำๆไปหน้าเชื่อเชื่อเหอะทำไปเหอะเดี๋ยวก็แจ้งนะฟังเราไร่เหตุไร่ผลนะอย่างนั้นโง่เกินไปคุณนำเกินว่าไงช่วยเอาไหมหมายความว่าจะต้องรู้วิเศรษลักษณะให้ให้ชัดเจนซะก่อนจึงจะเห็นสามัญลักษณะใช่คือถ้าไม่เห็นักไม่เห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยจะเห็นสามัญลักษณะไม่ได้ครับ เ <S an> ช่นมันพืชเป็นพืชเดียวกันหมดเลยอย่างคนที่ใจลอยครับใจลอยมาตั้งแต่เกิดจนตายนะมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของอะไรทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าสภาวะธรรมนี่มันรวมเป็นอันเดียวกันหมดพอมันรวมเป็นอันเดียวกันมันจะไม่เห็นการเกิดดับเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรารู้สึกตัว่็ขาดเป็นช่วงช่วงช่วงนะจะเห็นเลยแต่ละตัวเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงคือต้องสังเกตวิเศษลักษณะให้มันละเอียดก่อนเนี้ยนะ หัตามรู้ตามดูเรื่อยๆแล้วมันเห็นเองไม่เอาน่าอย่าเที่ยวสังเกตไปอีกเสียเวลา <c oughs> ชื่ออะไรลืมอีกล่ะอัศนีค่ะชื่อเรียกยากจํายากนะ <c oughs> คิดว่ายัางมีการกระทําอยู่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ยรู้ <c oughs> เรื่อยๆดีแล้ว <c oughs> ทําอยู่ก็รู้ว่าทําอยู่คุณบางออนเปคนณําเกลงใจไหลไปแล้ะ คุณบางอ่อนจิตดีขึ้นนะวันนี้หลวงพ่อจาผิดเอ้ยคุณเป็นนี่คุณบางอ่อ <c> น <oughs> เออวันนี้ก็เดี๋ยวคิดคิดไปแพ่งแล้วคิดแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะแล้วอะไรนะคื อ, ค, อคือจิตจะคิดไปแพ่งแล้วก็คิดแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะเาขาเขาจะมีคิดแต่เรารู้ทันมันใช้ได้ค่ะค่ะยังเก๋ไหมวันเนี้ยใจเราตื่นมากกว่าเมื่อวานนะค่ะดีให้รู้ทันนั่นแหละสภาวะทั้งหลาย แล้วสภาวะทั้งหลายจะสอนไตรลักษ์เราการที่เราเห็นตัวสภาวะนะ <Okay. S 1> เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสนา <Okay. S 1> ตรงที่สภาวะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูตรงนั้นแหละเรียกว่าวิปัสนาเพ <Okay. S 1> ราะงั้นญาณเบื้องต้นน้ำรูปปริเฉทญาณ <Okay. S 1> เห็นรูปเห็นนามนเห็นสภาวะนะ <Okay. S 1> อะไรปัจจะยะปริขหายานรู้ว่าไอ้ตัวนี้เกิดจากอะไรตัวนี้ก็คือ ลักษณะที่จตุ ก, กะตัวที่สี่จเห็นแล้วก็รู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดแล้วดับเพราะว่าขณะนี้กัตตาจีไม่เหมือนกันสภาวะเดี๋ยวนี้กับสภาวะก่อนหน้านี้ไม่เหมือนกันนี่ยังไม่ใช่วิปัสนาอยังเจือด้วยการคิดอยู่เพราะฉะนั้นญานที่หนึ่งสองสาเนี่ยยังไม่ใช่วิปัสนาพอญานที่เป็นวิปัสนา จ, จริงคือการเห็นไตรลักษณ์ เห็นสภาวะแต่ละตัวนี่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปสภาวะตัวนี้กับสภาวะตัวนี้คนละตัวกันเช่นสภาวะเผลอก้อนหนึ่งสภาวะรู้ก้อนหนึ่งสภาวะเพ่งก้อนหนึ่งแต่ละตัวนี่คนละตัวนะแล้วก็เกิดแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเป็นการเดินวิปัสสนาละเดินไปเรื่อยๆจิตมันก็จะเข้าใจความจริงเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปหน้าเบื่อเหมือนเหมือนกันหมดเลย สุขและทุกข์ดีและชั่วหน้าเบื่อหน่ายเหมือนๆกันนี่เรียกว่า น, นิพิทานะหาเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษล้วนๆนะเฝ้ารู้ลงไปพอใจยอมรับความจริงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายมีแต่ทุกข์มีแต่โทษล้วนๆ น, นะไม่ต้องไปดินน้นรนหาความสุขหรอกไม่มีหรอกความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยใจหมดความดินน้นรนเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเนะนี่ยเป็นปัญญาสูงสุด ในการเดินวิปัสสนาในฝ่ายโลกียะถัดจากนั้นโลกุตระจะเริ่มเกิดล้จะ ก, กระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นใครรู้นะค่อยหัดรู้สภาวะไปบรลละเล็กบาลละน้อยนะพอรู้สภาวะอันไหนได้แล้วก็จะเห็นมันเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปถ้าใครรู้สภาวะได้ไม่มากนะหัดรู้เผลอไว้พราะเผลอเป็นสภาวะที่เกิดทั้งวันเผลอเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุด ถาว่าเผลอคืออะไรเผลอถ้าพูดอย่างตำราก็คืออุทธัจจะความฟุ้งซ่านของจิตเป็นโมหะใจฟุ้งซ่านเผลอก็คือไปคิดนั่นึองมันฟุ้งไปในอารมณ์มันซ่านไปในอารมณ์มันลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจนั่นสภาวะเผลอเป็นสภาวะที่เกิดทั้งวันเลยรู้สภาวะได้ไม่มากนะรู้สภาวะเผลออันเดียวเนี่ยภาวนาได้ทั้งวันแลเพราะเผลอทั้งวันเดี๋ยวก็ใจลอยแวบเดี๋ยวก็ใจลอยแวบนะ คนทั้งโลกใจลอยอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อพูดมาหลายปีแล้วพูด ซ, ซื่อเลยนะในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวพูดแรกๆคนโกรธนะตอนนี้หลวงพ่อมีพยานเป็นร้อยเป็นพันในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกมีแต่คนเผลอคนหลงตลอดเวลาพอเรารู้ทันว่าจิตเผลอแป๊บรู้สึกขึ้นมาจะรู้สึกได้ชั่วขณะสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวก็เผลอใหม่ก็จะรู้สึกขึ้นมาได้อีกสั้นๆเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้รู้ตัวยาวๆ เราฝึกรู้สึกขึ้นที่ลักขณะทีลักขณะเพื่อจะตัดตอนความเผลอให้ขาดออกเป็นช่วงๆนั่นึองเสร็จรแล้วเราจะเห็นในความเผลอเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกตัวเกิดแล้วดับเห็นเหมือนกันเลยทั้งความเผลอและความรู้สึกตัวเท่าเทียมกันะใจไม่ใช่ว่ารักความรู้สึกตัวเกลียดความเผลอไม่มีเลยใจเป็นกลางต่อความเผลอและความรู้สึกตัวเท่าเทียมกันเพราะเกิดแล้วดับเท่าๆกันถึงอย่างนี้จิตเวลาปล่อยนะมันปล่อยทั้งความรู้สึกตัวและปล่อยทั้งความเผลอ ไม่ใช่จะเอาอันหนึ่งจะเกลียดอันนึงถ้ายังจะเอาอันหนึ่งจะเกลียดเอาอันอันหนึ่งเนี่ยอริยมยมรรคจะไม่เกิดออกไม่เป็นกลางจริงงั้นเราหัดรู้สภาวะเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่คงที่นะไม่ใช่หัดรู้สภาวะเพื่อจะไปตกแต่งสภาวะให้ดีให้วิเศษให้สงบให้สุขให้ประณีอะไรขึ้นมาคุณที่กําลังถือไม้กําลังแอบไปคิดแว บ, บหนึ่งทราบไหมเมื่กี้เนี่ยนะใจมันหนีไปคิดใจมันอยากพูดเป็นระยะระยะรู้สึกไหม ครับเนี่ยให้คอยรู้นะเนี่ยรู้ของจริงต่อไปเราจะเห็นเลยความอยากพูดเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปได้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยากพูดแล้วรู้สึกไหมครับความอยากพูดดับไปแล้วตอนเนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมใจหนีไปคิดยังคิดไม่เลิกครับ <c oughs> หัดรู้สภาวะอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะเช่นอยากพูดใ จ, ใจแอบไปคิดตอนเนี้ย ใจใจมารอฟังรู้สึกไหมครับนะรอฟังรู้ว่ารอฟังใจเราเป็นยังไง ร, รู้เนี่ยใจหนีไปคิดที่อื่นแล้วรู้สึกไหมใจไหลไปให้เรารู้ลงไปทีลขนะขณะทีลขนะขณะเนี่ยเมื่อกี้ใจสายแวบหนึง่งรู้สึกไหมครับมันสายไปเยให้เรารู้ลงไปนะเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยแล้วเราก็หัดรู้ความรู้สึกนะที่แปลกปลอมเข้ามาในใจของเราเป็นระยะระยะไปเนี่ยใจแอบไปคิดและทราบไหมครับรู้อย่างนี้นะ ถ้ารู้ไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มเพ่งแล้วเริ่มบังคับให้นิ่งไปกดเหมือนล่ะอันเดียวค่อยมาต่อนะแปดโมงละแล้วเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์